นิพพานของพุทธต้องดับคาตาเป็นองค์ประกอบถ้ายังไม่เห็นกิเลส ด, ดับลงไปคาตาหลัดหลัดและเห็นอาการของความดับอยู่อย่างแจ้งสัตย์ชิหน้าบัดเดียวนั้นโดยมีภาวะลืมตาและสัมผัสเหตุแห่งทุกข์หรือเหตุแห่งสวรรค์นั้นๆครบพร้อมความเป็นกาย คือมีทั้งรูปและมีทั้งนามประกอบอยู่พร้อมสิ่งร่วมรู้กับผู้อื่นแม้จะเป็นแค่รูปที่เป็นองค์ประกอบของกายภายนอกที่ผู้อื่นก็สามารถร่วมสัมผัสได้ก็ยังมีหลักฐานส่วนหนึ่งอธิบายขยายความให้เห็นชัดอีกทีเช่น หลับตาเข้าไปในพวงังมีความรับรู้อยู่แต่ในภาวะภายในเท่านั้นคุณก็รู้อยู่คนเดียวดังนั้นในขณะเช่นนี้ผู้นี้ก็มีแต่สัญญากำหนดรู้ซึ่งไม่มีภายนอกก็ไม่มีภายนอกให้คนอื่นสัมผัสด้วย ภายนอกเป็นภาวะปัจจุบันให้ผู้อื่นร่วมรู้ไม่มีคุณก็รู้ของคุณอยู่คนเดียวจะเป็นปัจจุบันจริงหรืองมอยู่แต่ภาวะอดีตและภาวะอนาคตเท่านั้นใครก็ไม่รู้ได้ด้วยซึ่งผู้มีภายนอกกำหนดรู้อยู่นั้น ภายในของเขาขนาดนั้นเขาก็กำหนดรู้ได้ด้วยนะส่วนคนอื่นก็ไม่รู้ภายในของเขาหรอกแต่ถ้าเรามีภายนอกสัมผัสอยู่โทนโทษร่วมรู้กันได้ทั้งเราทั้งผู้อื่นยืนยันกันมันก็ยืนยันว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่คนอื่นร่วมรับรู้ ร่วมมีเครื่องยืนยันขึ้นมาแล้วอย่างน้อยก็เพื่อจะได้พิสูจน์กันต่อไปกับสิ่งภายนอกสิ่งนี้แหละเป็นหลักฐานแล้วจะได้ใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไปดังนั้นถ้าใครไปหลงว่านิพพานที่ตนได้บรรลุจะเอาแต่ขณะที่อยู่ในภายในพระพุทธเจ้าจึงถือเป็นมิจฉาทิฏฐิ เพราะไม่มีภาวะปัจจุบันที่มีของแท้ไม่มีสิ่งนั้นจริงๆสัมผัสแต่ต้องอยู่แท้ๆอยู่ยืนยันได้หลัดหลัดต้งส ง, งเมื่อมีแต่รู้อยู่แค่ภายในไม่มีภายนอกครบพร้อมด้วยยืนยันความจริงก็ยังไม่เป็นทิฏฐธรรมนิพพาน ผู้มีทิฏฐิคือมีความเห็นว่านิพพานจะได้ก็ต้องหลับตาเข้าไปทำเอาจึงจะได้จึงเป็นผู้มิจฉาทิฏฐิแล้วชัดๆในประเด็นแรกพระพุทธเจ้าจึงจัดผู้มีทิฏฐิเช่นนี้อยู่ในอนาคตพระไตรปิโดกเล่ม 9, 87ข้อเเป็นผู้จมอยู่ในอนาคตหมายความว่า เป็นผู้จมอยู่กับภาวะลมๆแ้งๆในสิ่งที่ไม่มียังไม่เกิดมีแต่ความเพอ้อฝันอันคืออนาคตนั่นเองไม่มีความจริงหลัดหลัดจึงเป็นนิชชาทิฏฐิหนึ่งใน44ไม่ใช่ปัจจุบันที่สัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายได้หลัดหลัดในบัดนี้ มันมีแต่ภาวะแค่ฝันแม้ปัจจุบันขณะนั้นก็ฝันไม่ใช่ความจริง